พระธรรมเทศนาแผ่นที่93าลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่18มิถุนายน2559มีชื่อเรื่องว่าเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติผ่านมาแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์ หลวงพ่อยังบอกกับคู่บาเยว่เป็นอยังบอกออกไปฉันทางนอกไว้หมดเลยว่าบอกว่ามืออื่นเป็นวันพระออกไปฉันมืออื่นแต่มืออื่นหลวงพ่อประยูรละ่ะหลวงพ่อจะไปฉันวัดทันสดอ่ะเ <c oughs> หตุอยงไรล่ะซิบหามือบะนะั่ึงค่อยจะออกไปานี้ยว่งไรมืออื่นต้องออกนะออกไปฉันทางนอกถึงห้องปอะยูรก็าตามต้องออกไปข้างนอกเพื่อจะไปรักษาสาลาไว้ รักษาความสะอาดไว้ถ้าไม่อย่างนั้นสิบห้าวันสองอาทิตย์เนี่ยคอยรักษาดูแล้วมันห่างเกินไปเราสร้างขึ้นมาแล้วก็ต้องดูแลรักษามาเพื่อใช้ประโยชน์ถ้าเราไม่รักษามันเศร้าหมองเสียหายขาดการดูแลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะทุกเสาอาทิตย์วันพระ จะเป็นวันใดก็ตามเสาร์อาทิตย์วันพระต้องออกไปฉันข้างนอกศาลาหลังนั้นเป็นเสียตุลงพ่อไม่อยู่ตาลงพ่อไม่อยู่สุดแท้แต่แต่ทงยังไงต่วันหนึ่งในวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระนต้องออกไปไม่วันใดวันหนึ่งเพื่อดูแลเจดวันเจ็ดวันให้ออกไปฉันข้างนอกฉันศาลาครั้งหนึ่งเพื่อให้ดูแลศาลา ดูแลวความพร้อมทล้วก็าลาดประตูรั้วต้องปิดจะไปเปิดบอกหลายครั้งแล้วต้องรักษาเพราะเราไม่อยู่ในจุดนั้นอย่างน้อยก่อนะเป็นสมบัติของวัดยังมีอยู่เอไม่ใช่ว่ามันเสียหายแล้วยังค่อยมาพูดกันอันนั้นแมวงโง่ทั้งนั้นแหละเห็นไหมโง่หนึ่งตั้งแต่สร้างวัดเรามา เกี่ยวแมคโครน่หลวงพ่อยังไม่พูดมาพูดให้ฟังเดี๋ยวนี้รถแมคโคที่เขาเอามาให้ใช้งานเอามาจอดทิ้งไว้เขโมยเลยมาควักหัวใจมันออกไปกินหลวงพ่อก็เลยจ่ายโอนจ่ายเมื่อกี้เนะี่ยตั้งส4่แ00นพันลูกหลานนะแปลว่าจ่ายค่างโง่ของพระในวัดเราสรุปแล้วก็คือขาดการดูแลรักษานี่แหละ นี่กเหมือนกั น, นทุกอย่างมันต้องรักษาตระกูลอันมั่งคั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานสีไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วไม่บุรณะพัสดุที่ค้ำคล้าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสตรีหรือบุรุษทุสินให้เป็นเจ้าของสมบัติตระกูลอันมั่งคั่งจีบหายได้ ในทรรี่ประการนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ตั้งแต่2559ายหปีให้หลังถ้าเรานำมาพิจารณาการครองไตรตองด้วยเหตุผลแล้วถูกต้องนะดั น, นั้นต่อไปนะต้องไปฉันข้างนอกต้องไปดูแลสาราเสนาชนะบุรณะพัชดุถ้าว่าเราไม่ดูแลความเสียหายเกิดขึ้น แต่ทั้อย่างไงต้องรักษาประตูทุกประตูใครเป็นคนรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเวณศาลาเจะทิ้งให้ใครไม่ได้ศาลานอกศาลาในใครเป็นคนเป็นเวณศาลาในยุคนั้นถ้าหาว่าขาดขาดเหลือขาดตกก็แสดงว่าผู้เวณศาลาในวันนั้นแหละต้องรับผิดชอบเราจะไปทิ้งให้ใครไม่ได้เด็ดขาด พเพกุญแจอยู่ที่เวนศาลาเวนศาลาต้องรับผิดชอบทั้งศาลานอกศาลาในควรจะเปิดยังไงไม่เปิดยังไงตามกฎกติกาให้ไปชมกันเพราะวัดนี้ไม่ใช่วัดของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่วัดหลวงพ่อนะเป็นวัดของพระสงฆ์ทุกทุกองต้องรับผิดชอบร่วมกันวันนี้เป็นวันที่สิบปด มิถุนายนพุทธศกราช 2,559 เมืม่อวานหลวงพ่อขึ้นรับเสด็ดนจนัทธายาโยมลูกลานเมืม่อวานเริ่มสมโพธพระใหญ่ภูก้่นพระนอนพระพรศีหาสายญาติโลกกนะดาษอะไรชื่อยาวนะ เจ้าพระคุณสมเด็จมหามุนีวงศ์วัตรจักรบพิษเป็นประธานฝ่ายสงเป็นผู้บรรจุฝ่ายครวัตก็คือพระองค์พระองค์พาเป็นประธานกับพี่น้องประชาชนก็มาร่วมมากพอสมควรแต่เมื่อวานท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านถวายมอบถวายพระ องค์ภาพระปรางสมาธิแต่หลวงพ่อถวายอง์ภาเป็นเช็คแห่เงินสดมัง่งแล้วก็หลวงพ่อชฉลีถวายพระอีกองค์เป็นพระ อ, องค์เล็กแต่หลวงพ่อไม่ได้ดูถวายองค์ภาเป็นของที่ระลึกแต่องค์ท่านองค์ภาพ่อท่านได้รับ เจตุปัจจัยทั้งของคุณโอลาณทั้งของคณะกรรมการจัดงานท่านก็มอบคืนนะท่านก็มอบคืนส่งให้หมูลนิธิเพื่อดูแลบำ ร, รุงรักษาบุรณะเพื่อมันจะเกิดขึ้นในอนาคตท่านผู้วาราชการจังหวัดท่านก็บอกว่าให้สำนักพุทรับไว้แล้วก็ดำเนินการรายงาน พอพระ อ, องค์ท่านได้มอบจะตตุปัจจัยคืนนะแต่มันก็อย่างนั้นจริงละ่ะเมื่อวานในหลวงพ่อดูกำแพงล้อมรอบบางแห่งก็แยกกันล่ะเริ่มเริ่มมีปัญหาเพราะเราสร้างอยู่บนภูเขาไม่สร้างยาวอีต่างหากแล้วก็ดินอาจจะเป็นดินสุดข้างล่างก็ไม่ทราบล่ะดูๆแล้ว ม, มีปัญหาแล้ววะ กำแพงเหล่ากำแพงเียล้ อ, ลอมรอบมันรู้สึกมันล้าวแหละนี่แหละอันนี้แหละเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ต้องได้ซ่อมแซมจะตุปปัจจัยที่ได้มาต้องเป็นตั้งเป็นหมู่นิธิขึ้นมาเพื่อดูแลบารุงรักษาที่มันจะเสียหายเนี่ยอันนี้ก็ลคือเนจะตุปปัจจัยแล้วก็พร้อมกันเมื่อวาน สำหรับวัดเราก็ใช่ ย, ย่อยเหมือนกันนะจา่ายค่าโง่ก็อย่างที่ว่านะเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์แล้วะังมันจ่ายค่าของจริงอีกทอที่เราไปสร้างเขามาขอปัจจัยเพื่อโรงอาหารเด็กนักเรียนอำเภอหนองสูงเขามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเขาทำไม่ได้มันเงินไม่พอทั้งพ อ, อทั้งชาวบ้านเขาก็มาขอ หลวงพ่อยังขาดเท่าไหร่หลวงพ่อขาดประมาณ 5, ล้านห้าหลวงล้านห้าหลวงพ่อกระใจใหญ่เพราะได้กระถินใช่อ้าวให้แล้วก็บั่นหัวช้างเลยแหละมุงหลังคาการเรียนแล้วก็ข่าวไฟเพดานขาดสีอีกสามแสน ลูกหลานมาเท่าไรล่ะเจ็ดกับสามสิบพอดีใช่ไหมนี่แหละอันนี้ปัจจัยวัดของเราจะได้ช่วยเพราะว่าน้องสูงนะ่ล้านห้าก็จริงอยู่แต่เราโอนไปก่อนแล้วแปดแสนนะแต่เมื่อวานก็มาทวงอีกเจ็ดแสนนะหัวซาอีกสามแสนเจ็ดแปดเก้าสิบก็ล้านหนึ่งพอดี นี่แหละเวลาจตุปัจจัยที่ได้มากระถินผ้าป่ามันได้มาพวกเรารู้สยโยหิวสยโยหิวเข้ามาแต่มันออกไปนะมันออกไปแบบปลอมแหลมไม่รู้ออกไปเมื่อไหร่ผลใี่สุดก็หมดนี่แหละปัจจัยจตุปัจจัยของวัดวาศาสนาที่เราใช้จ่ายไปให้เกิดประโยชน์เราได้มาจากไหนได้มาจากพี่น้องประชาชนศรัทธา ญ, ญาติโยม ในเมื่อโรงเรียนเป็นของใครเป็นของพี่น้องประชาชนลูกหลานของลูกหลานที่มาเรียนหนังสือมีปัญหาเวลาทานอาหารนักเรียนตั้งเจ็ดแปดร้อยคนเวลาเลิกพร้อมกันลงไปทานอาหารเที่ยงเวลาฝนตกเราไปหลบไปซ่อนอยู่ที่ไหนเขาก็ต้องการอยากจะให้เป็นที่มุงบงังเราก็เห็นว่าเกิดประโยชน์ ถ้าผลตกถูกนักเรียนที่เป็นหวัดเป็นไขนะ่ก็ไม่เป็นผลดีสําหรับการดูแลสุขภาพของลูกหลานนะนะลูกพ่อเออสมควรที่จะต้องให้นี่แหละการที่จะให้อะไรลงออกไปที่วัดวาศาสนาสงเคราะห์ต้องได้คิดเหมือนกันนะลูกหลานนะนะเราอยู่ในชุมชนสังคมเมื่อได้รับมาจากชุมชนสังคมเราก็คืนให้กับชุมชนสังคมบ้าง พัฒนาวัดบาศาธนาบ้างให้แกโรงพยาบาลบ้างเครื่องไม้เครื่องมือบ้างหลายบ้างเหมือนกันนะนี่แหละอันนี้สรุปแล้วก็คือเล่เาให้ลูกหลานได้ฟังทาไ่งั้นลูกหลานก็คงจะสงสัยบางคนอัติเลกระลาศีลุงพ่อได้มาใช้จ่ายไปอย่างไรพะตรงคนเรามันชอบขี้สงสัย แต่หลวงพ่อก็ได้พูดให้ฟังพูดให้ฟังบางคนก็จะโอ้หลวงพ่อ word, นะอินขี้อวดทําอะไรหน่อยนึ่งกมาพูดมาอวดให้ฟังนะมันก็ดีมันก็ได้ทั้งได้ทั้งหนึ่งเสียทั้งหนึ่งอีกเหมือนกันนะจะได้ทั้งสองทางมันก็ยากอีกเหมือนกันแต่เป็ยังไงในความรู้สึกของหลวงพ่อที่เป็นเจ้าของพูดดีกว่าพูดให้ฟังดีกว่าดีกว่าไม่พูดถาว่าไม่พูดอาจจะสงสัย วีคูณขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้มีปัญหาถ้าพวกเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วก็จะตุปปัจจัยที่ได้มาช่วยลงพยาบาลเท่าไหร่โรงเรียนเท่าไหร่สาธารณประโยชน์เทไรวัดวาศาสนาสร้างอาคารเรียนเท่าไหร่สร้างสร้างวัดศาลาวัดเท่าไหร่แล้วก็พัฒนาวัดในวัดของเราเท่าไหร่ มันมีทั้งหมดน่นนะอันนี้ก็คือปัจจัยสี่แต่แต่เราได้มาโดยเป็นธรรมใช้โดยเป็นธรรมสรุปแล้วเราบวชมาเพื่ออะไรมาเราไม่ได้บวชมาเพื่อรวยนะเราบวชเมื่อเพื่อหาธรรมการสสแสวงหาธรรมหาธรรมคือธรรมอันบริสุทธิ์เข้าสู่จิตใจจะทํำยังไงใจของเราจึงบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอันนั้นคือจุดใหญ่ของเราที่บวชมา พวกเรามาบวชจะเป็นท่านผู้ใดก็าตามมาอยู่ในวัดวาศาสนามาอยู่ในวัดถ้ามาอยู่ในวัดยังมาคิดเออละเหยปล่อยจิตปล่อยใจอยู่อันนั้นแปลว่าขาดทุนเข้ามาอยู่วัดแล้วขาดทุนอพอปล่อยใจเข้ามาเราต้องคิดเลยเราปล่อยใจเกินไปเสียแล้ว เ, เราเข้ามาสู่วัดเราต้องทำใจให้เป็นสมาธิ ทำใจให้เป็นหนึ่งให้ใจอยู่กับตัวเองแต่บัด น, นี้เราทำอย่างนั้นไหมถ้าเราไม่ทำอย่างที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนเราขาดทุนนะเราส่งใจออกไปข้างนอกเกินไปนี่แหละหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเคยบอกว่าเขาส่งของออกไปขายต่างประเทศส่งยางบ้างส่งข้าวโพดบ้าง ส่งมันสัมปลังส่งข้าวส่งสินค้าออกไปต่างประเทศเขาได้กำไรแต่พวกเราท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมเยส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกมากๆเดี๋ยวเป็นบาขาดทุนย่อยยับปนปี้ไปหมดเพราะเพราะส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกเพราะนั้นอย่าส่งใจถ้าอยากจะได้กำไรแลวต้องส่งส่งใจกมาหาตัวเอง ให้มีสติสัมปชัญญะให้มีความรู้สึกเดี๋ยวนี่เราอยู่ยังไง ร, ร่างกายของเราอยู่ยังไงการพูดการแสดงออกของเราเป็นยังไงใจของเราอยู่อย่างไรนี่แหละอันนี้แหละคือจุดได้กาไรของปราจุดได้กำกำกำไรของผู้ปฏิบัติธรรมถ้าาว่าเราส่งใจออกไปครั้งหนอขาดทุนนะส่งไปเท่าไรยิ่งขาดทุน เพ้อเพ้อเป็นบ้าเป็นบองขาดสติไปอีกทั้งที่เรามาอยู่วัดสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราฝังเอาไว้ผู้มาปฏิบัติธรรมถึงจะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็เถอะนะถึงจะเช่าเป็นชาวบ้านก็เหมือนกันนะถ้าผู้มาสู่ผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างที่มาได้ยินได้ฟังหลวงพ่ออย่างวันนี้นะเราก็ต้องฝึกหัดภาวนาให้มีสติโยกับตนเอง เราหากำไรให้กับชีวิตแต่ถา้าเราส่งจิตส่งใจปล่อยปละละเลยมีที่คิดปุ่งฟุ้งอยู่ตลอดเวลาอันนั้นไม่นานเดี๋ยวก็เป็นบ้าเป็นบอได้ไง่ยายๆพ่วอะไรเพราะส่งจิตออกนอกนะขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะให้ประกอบคุณงามความดีชีวิตนี้น้อยนักไม่รู้จะอยู่นานไปสักเท่าไหร่เรารับประกันได้ไหม อย่างหลวงพ่ออินเนี่ยเดี๋ยวนี้เ็ดสบสองปีเอ๊ะจะไงเราต้องถึงเจนะ็ดสิบห้าพูดอย่างนั้นได้ยังไงพอเพอไปนอนกลางคืนเนี่ยหลายตายหลับตายหัวใจขาดเลือดตา ย, ยงูกัดตายมันมีท่ามีท่าตายไ ม, ม่แต่เยอะแยะไปหมด เ, เพราะนั้นเราจะไปพูดได้ยังไงว่าเราจะตายอายุเจ็ดสิบ้านะ สิ่งเรานี้ทั้งหลายทั้งปวงพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสจึงบอกว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราถ้าพวกเรามีความพร้อมมีความตั้งใจมีความใส่ใจในการเป็นอยู่ของเราในเมื่อเราถึงข่าวเช่นนั้นมาถึงจุดจบของชีวิตพวกเราก็ไม่เสียใจ เพราะเราได้ประกอบคุณงามความดีเป็นที่พอใจแล้วนะแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดถึงจุดนี้เลยมีแต่ส่งจิตสงใจมิถึงหาเงินหาทองหาวัตถุภายนอกมันเอาไปเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างปล่อยทิ้งทั้งหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเองแนะนําให้พวกเราได้จะตกเปจจัยมาแล้วเอามาทําบุญทําทานไม่ใช่ หลวงพ่อไม่ได้แนะนําอย่างนั้นหลวงพ่ อ, อ น, นั้นคือปัจจัยสีใช่ส่วนหนึ่งก็คือทําบุญจากนั้นมาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกหลานควรจะมีแต่หลวงพ่อเน้นหนักเลยคือเนี่ยทำจิตใจให้ภาวนาให้ไหว้พระให้สวดมนต์ให้สํารวมกายวายจาของตนเองพอวันไหนเป็นวันพระเราก็ควรจะรักษาศีล ให้ทานบ้างรักษาศีลแล้วก็ให้ภาวนาให้ไหว้พระสวดมนต์ให้นั่งภาวนาอย่างน้อยวันละหนาทีสิบนาทียี่สิบนาทีได้ไหมนี่อันนี้แหละคือประกอบคุณงามความดีถ้าพวกเราทําอย่างนี้โดยสม่ําเสมอนะให้สํารวมใจของตอนเองอยู่เสมอนะจะเป็นที่มันจะเป็นกําลังจะเป็นกําลังหลักและเป็นกําลังใจให้กับตนเองแต่พวกเรา ไม่ได้ภาวนาปล่อยวันปล่อยคืนปล่อยเดือนปล่อยปีปล่อยป่า ล, ละเลยอันนั้นแปลว่าเป็นผู้ไม่สนใจในตัวเองไม่สนใจในบุญกุศลไม่สนใจในการประกอบคุณงามความดีตามแนวแถวของพุทธะนะถ้าว่าตามแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามแนวแถวของพุทธนะแล้วให้ไหว้พระสวมดมนต์ให้นั่งภาวนานะนี่แหละอันนี้แหละคือ กิจที่ควรทำของพวกเราแต่เรื่องทานเรื่องศีลอันนั้นก็ควรจะมีคนที่มีมีทานแต่คนขี้นี่ทีเนียวไม่จักรู้จักทาบุญทาทานถ้าเราเกิดมาพบนายชาติหน้าละ่ะอันนี้สงทานไม่มีเราก็จนอีกยิ่งจนกว่านี้อีกเพราะเราไม่ขนขวายในการทาทานถ้าคนที่ทำทานอันนี้สงแห่งการทำทาน เกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดอยากสันวาทเช่นนั้นแต่ถึงยังไงก็ตามการทําทานจุดนั้นก็อย่าไปถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญแต่เราไม่ถ้าเราไม่มีรักษาศีลก็ได้ภาวนาก็ได้เพราะว่าการทําบุญมันมีหลายทางรักษาศีนนลหลวงพ่ อ, อยังเปรียบเทียบในพระไตรปิฎกท่านตรัสไว้ว่าให้ทานร้อยครั้ง สู้รักษาศีลบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งสู้นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบครั้งหนึ่งไม่ได้อันนี้สูงเหมันมากกว่ากันอย่างนั้นแหะแต่พวกเราพอมานั่งภาวนาพวกเราที่นั่งอยู่นี่บางคนอาจจะไม่เคยเลยนะนั่งภาวนานะแต่ให้รักษาศีลเนพอพอเป็นไปได้อยู่แต่ให้ทานถนัดนักได้ ไม่เป็นไรไม่เสียดายแต่พอรักษาศีลเขามาเนั่นเริ่มจะสักจะไม่สู้แล้วพอจริงภาวนาก็ไม่รู้จะทำยังไงอีกเหมือนกันเนี่แหละต้องเรียนต้องศึกษาจุดนี้เรื่องภาวนาถ้าไ่ด้ฟังเอ3สามของหลวงพ่อนะหลวงพ่อพูดในนั้นไว้แนววิธีการปฏิบัติสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าไฟในการเรียนรู้ไยในการศึกษาไฟในการ สนใจในการประพุทธปฏิบัติธรรมแล้วพวกเราจะรู้แนวทางจากนั้นก็นํามาประพุทธปฏิบัติซะก่อนเป็นเป็นขั้นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นซะก่อนในเมื่อมันมีปัญหาหรือสงสัยจุดไหนจุดไหนอย่างไรที่เราสงสัย mm. แล้วก็ต้องถามครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีอยู่เดียวนี่พอมีทางอยู่ที่จะต้องถามครูบาอาจารย์การภาวนาเป็นอย่างนี้ จิตใจเป็นอย่างนี้ อ, อ, อารมณ์มันเป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงเนี่ยถ้าบอกไปถามครูบาอาจารย์ผิดที่ผิดทางก็เอาไปใหญ่เหมือนกันนะลูกหลานนะต้องศึกษาในรายละเอียดเหมือนกันถ้าบอกไปถามผู้ที่ไม่รู้แต่ว่าเป็นพระถามเลยบางที่ท่านก็ไม่เคยภาวนาอีกต่างหากพระนะท่านก็ตอบข้างๆครูๆไปเลยเอันนั้นก็มีเพราะนั้นเราต้อง ถามครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ศึกษามาทางนี้โดยตรงเมื่อถามท่านท่านจะได้แก้แก้ปัญหาให้ำหัำเปล่าแต่บางคนเน่ที่ฉันภาวนาไปเห็นเทวดาไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์ไปเห็นคนเกิดคนตายเลวเป็นยังไงเออนารดีแล้วถูกต้องแล้วต้องสรงตัวไปอย่างนั้นหร อ, อ พอทำไปทำไมตาแข็งึ้นเรือเป็นบ้านอันนั้นคือส่งจิตออกนอกตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วท่านมาให้ทำแนวสายหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าจะส่งจิตออกนอกนะมาภาวนาครั้งแรกพอไปเห็นสิ่งเหล่านั้นคือวมามันติดนิมิตนะมันสำคัญผิดนะมันสำคัญตนเองผิดนะท่านส่งจิตออกนอกอย่างนั้นไม่ได้นะเสียนะ ต, ต้องกลับเข้ามาต้องกลับเข้ามหากรรมาฐานเดิม พอไปเห็นนิมิตแล้วกลับมาหากรรมฐานเราภาวนาอะไรภาวนาพุทธโธให้กลับมาหาพุทธโธอย่าไปดูอย่าไปให้ความสําคัญถ้าว่าเราไปดูอย่างนั้นแหะผลที่สุดเราจะเป็นบุคคลสําคัญผลที่สุดจะเป็นบ้าได้ง่ายๆนะอันนั้นแปลว่าสง่งจิตออกนอ ก, นอกติดนิมิตสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อได้พูดเป็นข้าวๆให้ฟังนี่แหล ะ, ะครูบาอาจารย์เรื่องจิตภาวนา พนั้นพระกรรมฐานนะพระกรรมฐานท่านจึงติดครูบาอาจารย์วิธีมีปัญหาอะไรท่านก็ถามท่านได้ไม่เหมือนปริยัตปริยัตนี่ตรงท่องตร ง, ง, ง, งสาธยายก็อยู่ในตำรับตำราทั้งหมดใครจำได้แม่นทําใครจำได้มากอย่างสวดมนตา์สาธยายบางคีก็โอโหสวดทั้งคืนก็ยังไม่ยังไม่จบ ที่จำที่สวดท่านเรียนมาอ่าอันนี้ก็คือวันจำมากน้อยต่างกันนะแต่เรื่องจิตภาวนาเนะี่ยมันคนละแนวกันนะเรื่องจิตภาวนาผู้ที่ชํชนานึกชานาญในการภาวนาอ่ามันมีที่ท่านรู้ท่านรู้จักท่านก็จะบอกกล่าวให้ฟังนี่แหละให้ลูกหลานคณะทาญาติโยมทุกท่านนะอ่าที่ทางนี้ทั้งนั้นอ่สรุปแล้วก็คือต้อง ได้รับการเรียนรู้ในครับรับการศึกษานะี่ยนะสุตตะมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้หินได้ฟังจินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาให้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนะภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบนํามาพิจารณาแล้วสูสู้สังรัะสะเตปัญญาผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา นี่แหละสรุปแล้วก็คือต้องไฟในการศึกษาเรียนรู้ในภาคปฏิบัติเรื่องจิตตภาวนาเพราะนั้นอย่างองค์หลวงปู่มั่นท่านอยู่จังหวัดเชียงใหม่ท่านปลีกหนีหลีกจากหมู่ไปไม่รู้ว่าหลวงปู่เทศไม่รู้ว่าหลวงปู่ฟันหลวงปู่เขาหลวงปู่ต่างๆหลังไหลขึ้นไปทางระยะจากอีสานไปถึงเชียงใหม่ไกลขนาดไหน เป็นหลาร้อยกิโลเดินทั้งนั้นสมัยก่อนท่านยังต้นทัานหาครูบาอาจารย์เพราะนั้นสิ่งว่ารูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญนะลูกหลานนะจะมองข้ามไม่ได้เพราะนั้นการศึกษาจากครูบาอาจารย์ใหญ่กับพ่อกอกับครูจะไม่หลงทาง ถ, า ถ, าถ้าไม่ใหญ่กับพ่อกอกับครูนะหลงผิดหลงผิดหลงถูกหลงทางไปเรื่อยนะอันนี้ก็คือหลงพร แ น, แนวบอกกล่าวแต่ครูบาอาจารย์ใครหลวงพ่อไม่ได้ว่าทุกคนมาหาหลวงพ่ออินนะหลวงพ่อไม่ได้ว่าอย่างนั้นน ะ, ะถ้าบอกครูบาอาจารย์องค์ใดเป็นของใครก็ให้ศึกษาให้ศึกษากับครูบาอาจารย์ของตนเองแต่ก็ต้องใช้ปัญญาของตนเองอีกต่างหากครูบาอาจารย์แนะนําถูกต้องไหมตามแนวแถวไหมก็ศึกษาฟังเทศธรรมเทศนาขององค์หลวงตาอีก ครูบาอาจารย์ศึกษาองค์อื่นอีกผสมประสานกันจากนั้นเราก็จะเรียนรู้ได้เข้าใจได้จุดมุ่งหมายของการประพฤติธปฏธิบัติธรรมเลยเพื่ออะไรจุดใหญ่ของการปฏิบัติธรรมจุดไหนเรื่องอะไรที่เราต้องการที่เราปฏิบัติธรรมเยจุดที่เราต้องการจุดเนี่ยจุดที่เราต้องการที่จุดสูงสุดที่เราต้องการคืออะไรเนี่ย แอ้พวกเราจะรู้ได้ถ้าเราศึกษานะถ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุตนาให้พรรับพรในตอนนี้นะ